บางคนจิตมันตื่นตอนทานอาหารนี่นะแต่บางคนไปตื่นตอนเดินจงกรมบางคนตื่นตอนเข้าห้องน้ำแล้วแต่ภาวะมันจะเป็นตอนไหนเนี่ยหลายหลายคนวอไม่ติดอาหารนะชีวิตเนี่ยไม่ติดอาหารยังไงก็ได้นะแต่พอมาเดินจงกรมเนี่ยพอจิตมันว่างมันจะคิดนะเนี่ยแสดงว่ามันติดนะจิตมันติดมันผูกพันสติรู้ได้เมื่อภัยมี สติเราดีไม่ดีเนี่ยเมื่อมันมีปัญหานี่ยอย่างเช่นตอนนี้มันหิวมันไม่ได้กินเนี่ยมันจะอึดัดมันจะมีปัญหาขึ้นมาความคิดมันจะเยอะสติไม่สามารถที่จะลบให้มันเป็นความว่างเป็นปัจจุบันได้เวลารถชนเวลาเกิดปัญหาชีวิตเนี่ยสอบตกสอบได้เสียใจดีใจตกใจพวกเนี้ยเนี่ยเป็นเรื่องของสติไม่มีทางนั้นน่ะรถชนกันตูม ไม่เสียใจไม่ดีใจเฉยเฉยไม่ตกใจด้วยซ้ําไปอะ่ะเออใช้ได้มีสติ น, นั่นมีสติมีสติคือไม่ตกใจอะนะใจมันดีนอนกลางคืนเวลานอนไปปุ๊บเอา้ามันกําลังจะคิดเรารู้สึกว่ามันจะคิดเรื่องนี้นะเวลาเวลาเรานอนเนี่ยสติจะไม่ค่อยได้ควบคุมนะถ้าคนไม้มีสติพอนอนไปปุ๊บแล้วมันจะฝันเลยนอนไปปุ๊บแล้วมันจะพอมันดับปุ๊บแล้วมันจะคิดนะ่ะ แต่ถ้าสติมันมีทีนี้พอมันจะคิดปุ๊บขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยสติจะทํางานจะหยุดความคิดจะลบความคิดทันทีเลยมันจะดับปุ๊บเอ้าทํำไมมันหายไปได้มันจะคิดเรื่องนี้ก็ดับได้ดับได้เขาบอกว่ามารไม่สามารถรบกวนจิตของผู้มีสติได้แม้ขณะที่หลับหลับสติก็ทํางานนั้นคนฝึกสติแล้วเขาไม่ฝันเพราะมันทํางานมันดับเองแต่ถ้าคนฝันเรื่อยเปื่อยคือคนนอนไม่หลับไม่มีสตินอกจากนอนไม่หลับแล้วก็มีไม่มีสตินะปกตินอนไม่หลับ มีสติจิตก็จะว่างเหมือนจิตมันอิ่มอยู่แล้วเนี่ยมันอิ่มอยู่แล้วนอนหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้มันก็ผ่องใสได้อา้าวขยับเร็วๆเคลื่อนที่ไว้ๆน้ําที่มาใช้ทำน้ําแกงนี่ส่วนมากเป็นน้ําในหนองนี่นะเราไม่ได้ใช้น้ํากัน่นน้ากองอะไรนะน้ําในหนองควายเนี่ยที่น้ําเรามาอาบนี่เหมือนน้าดื่มนี่ก็เหมือนกันนี่เราตะ soup ขึ้นมาแล้วก็ใส่ถังกรองนี่ๆห น, น, น่อยๆแล้วก็ไปเลยนี่นะ ที่เราดื่มน้ำเนี่ยไม่มีสะอาดอะไรในวัดเนี่ยนะโอง่งนี่ก็ยังไม่ได้ล้างปีที่หกนี่มั่งไม่ได้ล้างโอง่งน้าฝนเนี่ยนะนั้นใบไม้ตกลงไปแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเป็นอะไรไปบันทีก็หนูหล่นลงไปเนี่ยเวลาเปิดก๊อกน้ำบันทียังมีขนมันหล่นออมาตั้งหากตายพอดีเรววาพวกกรุงเทพมาเนี่ยนั้นไม่มีอะไรสะอาดอย่าไปคิดอะไรว่าสะอาดนะนันนี่ไม่ไม่สะอาดซะกัน มีแต่พืชผักผลไม้ในวัดนี้ที่ปลอดสารพิษหน่อยใช่ไหคือใช้อินซีปุ๋ยอินซีใช้ขี้วัวขี้ควายทำเพราะสกปรกมาเดิมมันอขี้วัวขี้ควายเนี่ยชีวิตเราไม่มีอะไรดีอ่ะมีแต่ขี้ขี้คันขี้เบื่อขี้นายขี้หิวขี้โกรธขี้โลภขี้หลงดูดิ แต่มันก็อยากกินของสะอาดที่ไม่มีขี้ยังไงก็ตามนะเขาจะสอนยังไงก็ตามอย่าไปสนใจเลยนะสนใจแต่เรื่องที่จะไอเรื่องไอเนี้ยเป็นเรื่องปัจจัยข้างนอกเรื่องปัจจัยข้างในคือรักษาใจเนี่ยต้องรักษาไว้ดีๆอันนี้อืโลกนี้มันจะพลิกจะคว่ำจะหงายจะยังไงก็ตามแต่จิตเนี่ยจะต้องอยู่กับปัจจุบันให้เป็น เดินไปนี่ให้ไปพร้อมกับใจนะจิตเราเนี่ยไปพร้อมกันกายเดินจิตเดินปั๊บปั๊บปั๊บูปับป๊ บ, บไม่ใช่ว่ากายกําลังเดินจิตไปอยู่ที่บ้านกายกําลังขยับใจไปอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วไม่ได้นี่ต้องให้มันไปพร้อมกันกายไปพร้อมกันใจไปพร้อมกันนะ่ยได้ถ้ามันสามัคคีกันมันไม่ไเป็นทุกข์แต่ส่วนมากมันพัดพลากมันไปก่อนนะจิตเนี่